พุทธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะพุทธวันรสวัสดีหมายถึงพุทธรชนะนะคะบางคนถามต่ออีกว่าพุทธวชนะแปลว่าอะไระวัชนะแปลว่าคําพูดพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าเน้นก็นําเอามาใช้ว่าถ้าท่านเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตจะมีความสวัสดีจริงสวัสดีเป็นผล ด, ดีเบื้องต้นจริงๆแล้วดีกว่าโซดอีกดีกว่าอย่างไรเดี๋ยวไมกล้าเรียนถามพระมหาเ พ, พริญอภิปุณโง ซึ่งกำลังจะนาท่านทั้งหลายที่ฟังรายการสัสสมมนาในรายการดอริชันน่นชินาพงอยู่เ น, นนะคะในต้นของรายการสู่การปฏิบัติธรรมกรับนวังสง ก, การท่านพิบูลค่ะเชี่ยมพนเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการที่เราฝึกสติตัวพระเจ้าเองตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เริ่มต้นโดยการที่มีสติหรือแม้แต่หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว นะมาคิดว่าจะสอนสรรพสัตว์ด้วยวิธีใดๆดดีก็ได้ร ะ, ะลึกถึงเรื่องของการมีสตินะคือสติปัฏฐานเนี่ยเป็นที่ไปทางเดียวใน ต, ตอนก่อนการปรินิพานนะพุทโธพจน์ที่เป็นบทสุดท้ายที่ตรัตะวายก็คือเรื่องของความไม่ประมาทนะก็คือมีความหมายเดียวกันกับการมีสตินั่นเองแรงสตินี่แหละที่จะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะที่จะทำให้ถึงความหลุดพ้นจากความทุกขนะ์แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันวของเราได้ในะสติแปลว่าความระลึกได้นะระลึกได้ระลึกอะไรในะคือให้จิตของเราเนี่ยอย่างน้อยแทนที่มันจะหลงไปในสิ่งที่เป็นอกุศลความคิดนั่นนี่โน่นนั่นะที่เป็นไปใ น, ป น, ปนทางการพยาบาดเปลี่ยนแต่เน้อยให้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงให้มันมาอยู่ในแดนที่ดีๆนั่นะที่ไม่ใช่การไม่ใช่ปยาบาดไม่ใช่เปลี่ยนนันะ่นจุดนั้นคืออะไรณนะจุดนั้นที่เราจะมาเป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงได้นั้นเราใช้ลมหายใจของเราได้ นะเพราะว่าลมหายใจของเรานนัน้เป็นพื้นฐานนะเป็นที่ที่แบบไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากนะไม่ได้มีความคิดในทางที่เป็นอกุศลนะในการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจนั้นก็ให้เอาสักจุดใดจุดหนึ่งนะที่เราจะรับรู้ถึงสมบัติของลมหายใจได้มานะลึกถึงตรงนี้แล้วใครทําได้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวันนะใดก็ตามนะสีผิวไหนก็ตามนะเป็นคนไทยคนฝรั่งก็ตามสามารถทําได้หมดพนะระเจ้าได้เคยพูดถึง เรื่องของวันนะทั้ง4นะั่นที่สามารถปฏิบัติได้นั่นะ้ำไม่ถึงความหลุดพ้นได้เหมือนกันนั่นะถ้าเขามีคุณธรรมมีองค์ธรรมแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติได้นะัมีครั้งหนึ่งที่นะพระเจ้าเปรสเซนติโกศนไปถามพระบรมเช่านะัได้ถามไว้นี้ว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะ4ี่อย่างเหล่านี้คือวรนนะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วันณะแพทย์วันณะสูตรมีอยู่ ถ้าชนในแต่ละวันน้เหล่านั้นประกอบด้วยองแห่งผู้ควรประกอบความเพียรความผิดแปกแตกต่างกันแห่งชนเหล่านั้นจะเพึ่งมีอยู่ในกรณีอย่างนี้หรือมมาบอบพิษในเรื่องนี้ตถาคตกล่าวแต่ความแตกต่างกันแห่งความเพียรของชนเหล่านั้นเปรียบเหมือนคู่แห่งมมาที่ควรฝึก หรือคู่แห่งโคที่ควรฝึกก็ดีที่เขาฝึกดีแล้วแนะนําดีแล้วและคู่แห่งช้างที่ควรฝึกคู่แห่งม้าที่ควรฝึกและคู่แห่งโคที่ควรฝึกก็ดีที่เขายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนําก็มีอยู่ม้าพิจจะสําคัญความก้อนนี้ว่าอย่างไรคู่แห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วนั้นจะพึงถึงซึ่งอาการ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 ที่ฝึกแล้วเช่นเดียวกับคู่แห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วแนะนําดีแล้วเหล่าโนัน้นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้ามามบพิษผลอันใดที่ผู้มีศรัทธามีอาภาษน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมารยาปราบความเพียนมีปัญญาจะพึงบรรลุได้ ผู้ที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากโอ้อวดมีมายาขี้เกียจและไร้ปัญญาจะบรรลุซึ่งผลอย่างเดียวกันนั้นได้เนอข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พรุ่งผู้เจริญถ้าเผื่อว่าในวันนะทั้งสี่อย่างเหล่านั้นคนที่อยู่ในแต่ละวันนะเหล่านั้นประกอบด้วยองค์แห่งผู้ประกอบความเพียน หาอย่างเหล่านี้แล้วจะเป็นผู้มีความเพียรโดยชอบอยู่จะมีความผิดแปกแตกต่างกันแห่งชนเหล่านั้นในกรณีนี้อยู่อีกหรือไม่ชั่งค่ะม้าบอบพิดในกรณีนี้ทถกคตไม่กล่าวความแตกต่างรายในระหว่างชนเหล่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกันกับวิมุตติกับวิมุตตเปรียบเหมือนบุรุษ ที่ถือเอาดุ่นไม Higher, OLED, ้สาระแห้งมาแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นทำความร้อนให้เกิดขึ้นบุรุษอีกคนหนึ่งถือเอาดุ่นไม้มะม่วงแห้งมาแล้วบุรุษอีกผู้หนึ่งถือเอาดุ่นไม้เบเดออีกผู้หนึ่งถือเอาดุ่นไม้สักมาแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นทำความร้อนให้เกิดขึ้น มาบพิษสำคัญความข้อ น, นี้ว่าอย่างไรความแตกต่างใดๆของไฟเหล่านั้นที่เกิดจากไม้ต่างๆกันจะพึงมีอย่างนั้นหรือเมื่อเปรียบเทียบกันด้วยซึ่งเปลวกับเปลวด้วยสีกับสีด้วยแสงกับแสงข้าแต่พระองคู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเ้ามาบพิษข้อนี้ก็ฉันั้นเหมือนกันเดชแห่งธรรมอันความเพียน นารมิตกันแล้วอันความวิริยะกระทําให้เกิดขึ้นแล้วใดๆมีอยู่แต่ฐากดไม่กล่าวความแตกต่างไรๆในเดชแห่งธรรมนั้นเมื่อกล่าวเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตต์เพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าบอเรามีการทําความเพียรในอย่างจริงๆจังๆนะเราก็จะมีความเสมอกันที่วิมุตต์ในการหลุดพ้นนั่นเองเจเรนพอสาธุค่ะท่านผังที่ครบค่ะนั่นก็เป็นการนําท่านทั้งหลาย ปฏิบัติธรรมรู้ลมหายใจแล้วฟังพระสูตรที่เป็นถ้อยคำซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เรียกว่าเป็นพุทธพจน์หรือพุทธวจนะคำพูดของพระาศาสดานั่นเองนะคะแล้วก็ท่านสรุปสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวฉันก็อยากจะบอกกับคนทุกๆคนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ว่า บางคนเกิดมาก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะว่าเรายากจนกว่าเขาเรามีน้อยกว่าเขาเรายศสักต่ํากว่าเขาเสมอกันได้ที่วิมุตต์ถูกต้องค่ะคุณธรรมอะไรที่เราจะพาไปถึงตรงนั้นนะพระเจ้าก็พูดถึงองค์ประกอบ5อย่างนะจึงต้องคุยกับในเรื่องคุณธรรม5อย่างตัวนีนะ้ว่าเอถ้าสมมติตัวคุณยมเตียวหรือนะตัวท่านผู้ฟังแเก็นะจะเป็นคนเหนือคนใต้คนจนคนรวยผิวขาวผิวดํา นะเกิดในวันนะัน้นใดนะอันไหนก็ตามเถอะนะถ้าคุณมี5อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคุณบรรลุได้แน่นอนนะค่ะแน่นอนคือนะอะไรบ้างคะอันดับแรกคือศรัทธานะศรัทธาคือองค์แห่งก็เรียกว่าอ่าผู้ที่จะปราบรความเปลี่ยนได้นะองค์แห่งผู้ปราบรความเปลี่ยนมี5อย่างนะอันแรกคือศรัทธานะศรัทธา ก, ก็คือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคนจะมีศรัทธาต้องต้องทํายังไงถึงจะมีศรัทธาคุณยมติว่า ติ๊กตอกติ๊กตอกอือก็นี่แหละ <c oughs> ฟังรายการนี้แหละ <c oughs> ฟังธรรมะจะทําให้มีศรัทธาค่ะอ่าฟังธรรมะจะให้มีศรัทธาได้นะคนถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยมีการฟังธรรมมีสมาธิิก็จะทำศรัทธาใเกิดกันได้ <c oughs> นะอันที่สองคือเรื่องของอ่าการที่มีอาพาธน้อยนะมีอาพาธน้อยอาพาธก็คืออาการป่วย อ, ะอ่ะอ่าอ่าเรายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นนะมี กำลังวังชาอันนี้ก็มีอาพาธน้อย ก, ก็จะเป็นองค์แห่งผู้ปรารถความเปลี่ยนนะข้อที่สองทีงนี้ถามว่าแล้วท้าคนมีอาพาธมากอะ่ะนะมันก็จะเห็นได้อย่างสมมุติหลวงตามาบวชอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปวดเขา่าเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่ก็จะทําให้การปรารถนความเปลี่ยนของเขาทำท ำ, ทำได้น้อยทำได้นะยากทำได้ยากใชนะ่แต่ไม่ใช่หมาก็ว่าทำไม่ได้เพราะว่ายัมีข้ออื่นอยู่มันมีตั้งห้าข้อนะถ้าเรามีไม่มีข้อนี้เราก็ไปเพิ่มข้ออื่นก็ได้นะ ข้อที่3คือเป็นคนที่ไม่โอ้วดไม่มีมารยาข้อที่สาคือไม่โอ้วดไม่มีมายาหมายว่าไงหมายคว่าคนที่มีมารยาเนี่ยคือเป็นลักษณะของวารซ่อนแฝงมีเรื่องเก็บไว้เป็นความลับไม่ยอมเปิดเผยออกมาพูดอย่างนี้แต่ไม่ความอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนโอ้อวดมีมารยาเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วตรงข้ามเป็นยังไงก็คือเปิดเผยตัวเอง มีความผิดใดก็เปิดไปออกมาจะว่าไงก็ว่ากันไปตรงๆอย่างเงี้ยเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเป็นคนที่เปิดเผยความผิดของตัวเองนี่คือข้อที่สามข้อที่4คือเป็นคนที่มีความเพี่ยนปรารบความเปลี่ยนปรารบความเพียรรเพ่ยนในที่นี้หมายถึงการความเพียนด้วยการสํารวมคือมีการสํารวมอินทรีย์ความเพียนด้วยการรักษาคือรักษาสมาธิของตัวเองให้ดีความเพียนด้วยการอดกลั้นคืออดทนดี นะความเพียรด้วยการพัฒนานะคือมีการเจริญโพชงนะตรงนี้คือคนที่มีความเพียร4อย่างนะ <Okay. S 1> ถ้าพูดให้มันง่ายลงหน่อยนะก็คือนะไม่ไม่ให้ อ, อคุสรุรธรรมมันเข้ามาอกุนะสุธรรมที่มีอยู่ก็ออกไปอนะคุสุธรรมอะไรที่ยังไม่มีก็เอาเข้ามาอกุนะสุธรรมอะไรที่มีแล้วก็พัฒนาขึ้นนะพูดอย่างนี้ก็ได้ก็คือสัมมาวายมะนั่นล่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือข้อที่4แล้วก็ที่หคือเป็นผู้ที่มีปัญญา นะปัญญาในที่นี้ก็คือเป็นปัญญาที่เห็นการเกิดขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้นะของสสารทั้งหลายเห็นการกระ ด, ดับนั่นหล ะ, ะนะใครก็ตามที่มีคุณธรรมอย่างนีนะ้ชื่อว่าเป็นคนที่ฝึกได้<ะ>เป็นคนที่ฝึกได้นะเพราะนั้นพุะรูชาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเพราะนั้นถ้าคุณมีคุณสมบัติ5อย่างนี้คุณเป็นคนที่ฝึกได้ แต่ฝึกเสร็จหรือยังไม่เสร็จนี้ค่อยยังยังไม่รู้นะก็ถามตัวเองนะคะว่ามีศรัทธาหรือไม่ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังรายการมีศรัทธาแล้วแน่นอนใช่ใช่ใช่ศรัทธาในการปรัสรู้ของพระพุทธองค์ถูกต้องมีอาพาธน้อยส่วนใหญ่ก็น่าจะแข็งแรงอยู่และถ้าไม่แข็งแรงเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาซื่อตรงเปิดเผยความไม่ดีของตัวเองอความผิดของตัวเองอันนี้ใช้ได้เลย เป็นคนที่ปรารบความเพียรมีความสํารวมมีการรักษาสมาธิแล้วก็อเอาอากุศลธรรมออกไปนะทำกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอ่าดิฉันว่าส่วนใหญ่ถ้าฟังแล้วล่ะแล้วยิ่งปฏิบัติธรรมกับเราตั้งแต่ตอนแรกของรายการนี้ต้องมีความเพียรเพียรเอาอากุศลออกไปถู้นะครเพียรทําให้กุศลเกิด <c oughs> ถ้าพูดหลักๆกับสุดท้าย มีปัญญ า, ญญาเห็นการเกิดดับปัญญานี่ต้องเห็นการเกิดดับด้วยใช่ไหมครับก็กแค่นั้นเองนะไ ม, ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปจบปัญญาตรงปัญญาตรอะไรตรงนี้ท่านคะแล้วถ้าเห็นไตรลักษณ์นี้ได้ไหยคะก็คือข้อที่สากับ ข, ข้อที่หนี่แหละคือปัญญาเหมือ น, น ค, อความไม่เที่ยงนะะั่นแหะนะค ะ, ะนี่คือคุณสมบัติของการที่จะทําให้เราเนี่ยมีความเสมอภาคกันที่วิมุติได้เออันนี้เป็นองค์แห่งผู้ปรารจความเปลี่ยนค่ะ องแห่งผู้ที่จะเปลาเรความเปลี่ยนพูดง่ายๆคือเป็นคุณเป็นคนที่ฝึกได้เป็นคนที่ฝึกได้ใช่คุณเป็นคนที่ฝึกได้คุณเป็นคนที่ฝึกได้นะค่ะมันมันเป็นอย่างนี้ไงคือคนที่ฝึกได้แล้วแม้คุณเนปเป็นคนสมบัติคือถ้าคุณมีคุณสมบัติ4ี่หข้อนี้อยู่บ้างแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ฝึกได้นะแต่ถ้ายังฝึกได้แล้วมันไม่ได้ฝึกหรือฝึกไม่เสร็จมันจะเสียดายมากค่ะอ่าอย่างเช่นพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับ ช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกแหมแต่ฝึกยังไม่เสร็จตายก่อนอย่างเงี้ยเสียดายนะแต่ถ้าฝึกเสร็จแล้วแหมมันดีนะก็เช่นเดียวกันคู่แห่งช้างที่ควรฝึกคู่แห่งม้าที่ควรฝึกคู่แห่งโคที่ควรฝึกนะมีอยู่2คู่เปรียบเทียบกันนะอันหนึ่งฝึกเสร็จแล้วกับอีกอันหนึ่งฝึกยังไม่เสร็จมันจะให้เหมือนกันไม่ได้ค่ะเพนะราะฉะนั้นถ้าสมมติไอ้คุณนำห้าอย่างของคุณเนี่ยมีอยู่แต่ถ้ามีเต็มยัง แต่ถ้ามีอยู่แส้งว่าคุณฝึกได้เนะี่ยฝึกให้ดีฝึกให้ได้ฝึกทําให้มากขึ้นมันเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นเนี่ยคือฝึกเสร็จเข้าใจไหมค่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันได้ยินหลายท่านนะคะที่เป็นเพื่อนพี่ที่เคารพพอท่านไปรู้ทำมาทุกคนรีบหมดเลยคะ่ะอืมคือเหมือนเรากลัวฝึกไม่เสร็จ <laughs> แล้วตายก่อนจะเสียเสียได้มากคนะเสียได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตื่นเช้าช้ามาแล้วรู้สึกว่าเออชีวิตฉันมันไม่ค่อยเที่ยงไม่ค่อยเที่ยง หนะ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยยั่งยืนเนี่ยคุณอยู่ในโสดาปฏิมากรแล้วน ะ, ะแล้วถ้าตายไปโดยที่ยังไม่บรรลุโสดาปฏิผลเนี่ยก็ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าชาติหน้าเกิดมาที่คุณจะได้พบกับสองผู้เช่าหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะมันก็จึงต้องมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราทำไงก็ควรจะทําให้ได้อย่างน้อยเป็นโสดาปฏิผลอย่างเงี้ยค่ะคือฝึกให้มันเสร็จได้บ้างค่ะส่วนใหญ่จะติดกันตรงที่ขี้เกียจขอไปนะคะอา่า บางครั้งเนี่ยประมาทใช้คํานี้ดีกว่าประมาทประมาทก็เลยทําให้ไม่ไม่ช่วยโอกาสทําให้ดังนั้นที่ฟังแล้วอายุยังไม่น้อยอยู่คนอายุน้อยก็ย่อมโอกาสมากกว่าคนอายุเยอะโดยโดยเฉลี่ยอโดยข้อหนึ่งในห้าข้อนี้อค่ ะ, ะ, คะนะคะแต่ประเด็นของพระสูตรนี้ที่ท่านเข้าใจว่าอยู่ที่อย่าให้ท้อใจไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เราเสมอกันได้ด้วยวิมุตติใช่ใช่ใชอีกตัวอย่างหนึ่งที่พระเช่ายกตัวอย่างนี้เพื่ออธิอธบายพ ร, าพระเชาเป็นเซนิโกโสนนี่ก็คือว่าเอาถ้าสมมติคุณธรรมเหล่านี้เท่ากันเท่ากันแล้วคุณฝึกไปฝึกไปจนกระทั่งฝึกสําเร็จน่ะก็เปรียบเส ม, มือนกับไฟที่เกิดจากไม่ว่าไม้ประเภทไหนนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันน่ะจะเป็นไม้เอ่อที่เป็นไม้ไม้ซากไม้มะม่วงไม้ต้นสาระ แล้วก็เป็นไฟที่ที่ให้เกิดความร้อนให้เกิดเปลวให้เกิดสีได้เหมือนกันให้แสงได้เหมือนกันค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ที่มันไม่เท่ากันก็มีนะคุณยมติวเอามาต้องการจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าพระเจ้าเคยบอกว่าตัวพระองค์เนี่ย เ, เสมอกับสาวกพระอาหารหันต์อื่นๆนะที่เสมอกันที่วิมุตตนะเสมอกันที่วิมุตตหมายความว่าในวิมุตตเนะี่ยคือหลุดพ้นแล้วนะ ในวิมุตต์เนี่ยไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่ไม่มีในนั้นเหกนไหมในนิพพานเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ยังเป็นเป็นอ่าเป็นโลกอยูอ่เป็นเป็นสมมุติอ่าเป็นสมมุติอยู่ถูกต้งองเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพระองค์บอกว่าของพระองค์เนี่ยไม่มีใครยิ่งไปกว่าเกศเกศไหมคือไม่มีใครที่มีศีลยิ่งไปกว่าตัวพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์นะไม่มีใครที่จะเสมอหรือยิ่งไปกว่าเรา แต่เดนะ็นถ้าสมมติเาเปรียบเทียบกันด้วยศีลศีล ส, สมาธิปัญญาไม่มีใครเลิศไปกว่าปรุริจาวนะแม้แต่ว่าอรหันนะแต่พระอรหันะ แ, ตแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เท่ากันนะอ克拉สาวกสูงสุดศีลนะ ส, สมาธิปัญญาวิมุติของท่านแหมเหนือมากนะตรงนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันในะเรื่อยดบ้างรายะเอียดบ้า ง, าางนะอสิติมหาสาวก80รูปนะก็มีความลดหลั่นกันลงมานะพระอรหันทั่วทั่วไปก็จะไม่เท่ากันเรื่องศีลสมาธิปัญญาน ะ, นะะแต่แต แต่มากอา PE พอที่จะไม่หลุดพน้นน่ะบังกันค่ะก็เท่ากับว่าหลุดพ้นก็ไม่เท่ากันด้วยหรือเปล่าครับ ห, <ส>หลุดพ้นหลุดพ้นเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าน้ำความความสามารถไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันความสามารถในเรื่องอะไรนะ <ห ă. S 2> yeah. คือความสามารถในเรื่องของการหลุดพ้นเนี่ยก็ไม่เท่ากันแต่หลุดพ้นได้นะแต่ความสามารถในการหลุดพ้นเนี่ยไม่ไม่เท่ากันคือผ่านอ่ะคือถ้าเป็นพระหลานคือผ่าน คือคุณผ่านเส้นนี้ไปคุณผ่านเส้นสังสารวัตได้น ะ, ค, ะคุณไปถึงที่ไม่ต้องเกิดแต่แต่ว่าผ่านเยอะหรือผ่านน้อยละ่ ะ, ะก็เท่ากับว่าทุกคนไปวิมุติได้หมดถ้าหวังการหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นได้หมดไม่ว่าจะอยู่ในวันณะใดหากมีคุณสมบัติและปฏิบัติไปถึงใช่ใชเพียงแต่ว่าจะไปเปรียบเทียบกันตั้งแต่ก่อนที่จะได้วิมุติถูกั้มคะในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถูกถูกถูกโดยเฉพาะถ้าไปเปรียบเทียบกับ บุคคลที่โดดเด่นมากเราก็คงคิดว่าคงไม่มีใครอยากเปรียบเทียบกล้าเปรียบเทียบเหมือนกันนั่นคือพระพุทธองค์<ช>นะคะศ<ช>ีล ส, สมาธิปัญญาท่านนั้นยิ่งกว่าพวกเราเยอะตัวอย่างเช่นว่าบางทีปัญหาบ้างปัญหาเนี่ยกราสาวกก็แก้ไม่ได้ต้องความสามารถ ร, ระดับพระพุทธเจ้าอย่างเยเป็นต้นเช่นเรื่องการแสดงปฏิหารบางอย่างกรส า, าวกทําไม่ได้พระพุธทธเจ้าทําได้การตอบ ป, ปัญหาบางข้อ นะคระาสาวกตอบไม่ได้บูรูช้ชาตอบได้นะก็ก็เป็นความสามารถที่แตกต่างกันแน่อันนี้มีแน่ค่ะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะเสมอกับคนที่เขาดูมีบุญวาสนากว่าอยู่เนื้อกว่าเราลองใช้การปฏิบัติธรรมดูแต่มันจะเป็นกิเลสไหมคะเนี่ยสมมุติว่าคิดว่าแน่กว่าชั้นมากนักหรอเดี๋ยวฉั้นไปปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะจะ <c oughs> เจ๋งกว่านายแน่นอนอันนี้คือมานะแน่นอนถ้านละไม่ได้คุณไม่มีทางได้เป็นพ้าอรัน อค่ะมานะคือความถือตัวอ่อทําไมถึงพระเจ้าตรงเนี้แหมเฉียบคมมากนะธรรมาว่าที่ว่าท่านบอกว่าเอเสมอกันที่วิมุตต์น่ะค่ะนะคือมันไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบกับคุณยมติวนึกออกไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบมันจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบลรอมันก็มันก็เสมอกันเลยสอิอ๋อคือวิมุตต์เนี่ยมันไม่สามารถเปรียบว่า วิมุตต์กำลังหนึ่งวิมุตต์กำลังสองนี่นไม่มีมันไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบในอย่นั้นค่ะ <laughs> ถ้าจะเปรียบเทียบด้วยศีลก็มันก็ไล่กันมาตามลําดับใช่หมพุทธเจาก็มากสุดอัครส า, าวกก็รองลงมาไล่มาไล่มาแต่ถ้าเป็นสมาธิก็ต่างกันไปอีกแต่เพราะมันยังมีอะไรให้เปรียบเทียบค่ะแต่ในวิมุตต์ไม่มีแล้วคือจบงั้นวิมุตต์หน้าตาเป็นยังไงคะท่านกะ <laughs> <laughs> นั่นแหะสิมันไม่มีอะไรให้เบรฟที่จะอธิบายด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จ ะ, จ ะ, จะทําให้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปค่ะอย่างนั้นก็ตามในพระสูตรเนี้ยคือให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าให้เรามีกําลังใจเลยนะคือถ้าเรามีข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อมากก็ตามน้อยก็ตามเนี่ยแสดงว่าเรามีคุณสมบัติของผู้ที่ฝึกได้อยู่แล้วคะ่ะอะถ้าคุณมีคุณสมบัติของผู้ที่ฝึกได้แล้วอนุมาขอร้องขอรอ ง, ข อ, รองขอให้ฝึกนะอย่าทอดทิ้งการฝึกคะ่ะ เพราะเพเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเราเจอครูดีแล้วค่ะพราะพพุทธเจ้าไปนิพพานไปแล้วค่ะท่านค่ะเอาก็คำสองพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ไงใช่ค่ะคืออาจจะมีคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องคําสอนของพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าอฟังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคําสอนที่ข้อมูลที่พระพุทธเจ้าจะฝึกก็จะบอกคนสมัยปัจจุบันก็จะเหมือนกับบอกที่คนสมัยก่อนโนู้น ด้วยด้วยข้อความประมาณนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นคําสอนที่เราเอาสามารถมาฝึกตัวเราเองได้ค่ะเดี๋ยวฉันขออนุญาตใช้ความรู้ที่พอมีเกี่ยวกับคําสอนพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าบอกท่านฟังสักหน่อยหนึ่งนะคะถ้าผิดอย่างไรก็ท่านช่วยแก้ด้วยกันละกันค่ะว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะคะท่านฟังได้ตรัสเอาไว้ว่าในการล่วงไปแห่งพระพุทธองค์หมายถึงว่าเมื่อดับขันปรินิพานไปแล้วเนี่ยทําก็ดีวินัยก็ดี จกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายคือคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็วินัยของสงฆ์ที่ยึดถือปฏิบัติกันอยู่เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตอยู่กับพวกเราใช่ค่ะนะตรงนี้ก็คือสำคัญว่าเราให้ปฏิบัติตามคำสอนเพราะเราเป็นผู้ที่สอนได้ฝึกได้ค่ะมันมันก็จะมีพวกที่สอนไม่ได้ฝึกไม่ได้ก็มีแต่เราไม่ใช่แบบนั้นเพราะนั้นเราควรที่จะต้องมา มาฝึกมาทําให้มันเกิดผลขึ้นนั่นเองค่ะทบทวนอีกครั้งเพื่อกำลังใจของท่านนะคะว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาหรือไม่ศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอาภาธน้อยหรือเปล่าเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดไม่มีบารยานะค ะ, ะหรือไม่ขี้เกียจหรือเปล่าอืไร้ปัญญาอืหรือเปล่าอย่างนี้ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วนอกจากนั้น ก็ถามตัวของท่านเองอีกว่าโอ้อวดหรือเปล่าซึ่ ง, งถ้าเรามีคุณธรรม5้าอย่างนีนะ้เราก็เป็นผู้ที่ฝึกได้แล้วก็ถ้าฝึกแล้วนะผลที่ออกมาก็จะยิ่งอย่างที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่านะ่คือความที่เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะเป็นพระอาหัน์ได้ในชาติปัจจุบันนี้นั่นเองชาติปัจจุบันสุดยอดนะค ะ, ะค่ ะ, ะก็พอควรแก่เวลาเต็มน กราบมสการขอพระคุณท่านไพบูร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะมนุมนสการค่ะตอนฝั่งค้าะหน้าน่นคือพระมหาภพบูร์อภิปุณโล น, นะคะวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี <c oughs> ท่านได้พูดอยู่ตอนหนึ่งที่อบอกว่ามีคนที่ฝึกปฏิบัติแล้วได้ผลกับยังไม่ทันได้ผลอาจจะเสียชีวิตไปซะก่อนต้องอย่าประมาทให้รีบทำเพราะไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราสร้างเหตุโสดาปฏิมัก คือเดินบนทางแห่งการจะเป็นพระอริยบุคคลเป็นต้นเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่ทันเป็นสมมุติว่าเป็นขั้นโซดาบัณก่อนนะคะโสดาปฏิพันธยังไม่ได้ผลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าท่านอาจจะมีโอกาสกลับมาเจอพระพุทธองค์อีกในภพหน้าของท่านนะคะดังนั้นก็เป็นโอกาสอันดีแล้วได้รีบทําความเพียรพาตัวเองที่จะไปถึงวิมุติอันเป็นการเสมอภาคกันกับคนทุกชั้นทุกวันนะ คนทุกฐานะทุกยศทุกศักดิ์ค่ะวันนี้เราก็นําเสนอรายการกตะเพียนเท่านี้ตามเวลาที่จํากัดนะคะแล้วก็ในทุกวันเวลาค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ท่านอยู่ตามลําพังหรือเวลาที่เรามาพบกันตี 5- ้าถึงตี5้าครึ่งของทุกวันท่านก็สามารถฝึกปฏิบัติตนได้เช่นเดียวกันติดตามรับฟังรายการสันสนีสนทนานะคะที่ชั้นสันสนีนาคพงศ์กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้พุทธสวสตรีค่ะ